ทรงสอนให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้ปรารถนาความสุขความเจริญทางจิตใจให้ปล่อยวางภารกิจการงานทางร่างกายไว้หนึ่งวันเพื่อมาเติมมงคลให้แก่จิตใจมงคลก็คือความสุขความเจริญของจิตใจนั่นเอง จิตใจเราต้องการมงคลต้องการความสุขความเจริญเราก็ต้องคอยเติมมงคลให้แก่จิตใจอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรที่จะเข้าวัดสักครั้งหนึ่งเพื่อมากระทำสิ่งที่เป็นมงคล ใจิตใจของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่ต้องการเชื้อเพลิงคือน้ำมันรถยนต์ก็ต้องคอยเข้าสถานีบริการอยู่เรื่อยๆเพื่อเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเพราะถ้าผ่านน้ำมันเชื้อเพลิงไปรถยนต์ก็จะไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้ รถจนจึงจำเป็นที่จะต้องแวะจอดตามสถานีบริการอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อเติมน้ำมันและอุปกรณ์อย่างอื่นด้วยถ้าเกิดการชำรุดทุดโทมขึ้นมาก็ต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนอะไรเติมสิ่งที่ขาดแคลนและอาจจะต้องคอยเติมน้ำอยู่เรื่อยๆ เ, เติมน้ำมันเครื่องเติมน้ำมันเบรกอะไรต่างๆ หรือถ้าสมัยนี้เป็นรถไฟฟ้าก็ต้องคอยเติมไฟฟ้าต้องคอยชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์จึงจะสามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกราบรื่นจิตใจเราก็ต้องการมงคลเช่นเดียวกันที่จะนำพาจิตใจของเราให้ไปสู่ที่สุขที่จเจริญ ให้ถึงจุดสูงสุดของความสุขของความเจริญของจิตใจต้องมีมงคลเป็นผู้คอยสนับสนุนการเข้าวัดจึงเป็นเหมือนกับการเข้าสถานีบริการเราเข้าวัดนี่เหมือนกับเราเอาเอาจิตใจของเรามาเติมมงคลมาเติมน้ํามันวัดเป็นสถานที่ที่มีสิ่งที่เป็นมงคลหลายประการด้วยกันที่จะ ทำให้เกิดมงคลแกจิตใจของผู้ที่เข้าวัดกันเช่นข้อที่หนึ่งที่พูเจ้าทรงตัดไว้ในมงคลละสูตรว่าอาวนาจะพาลานังบันดิตานันจะเสวนาขอนี้ท่านหมายถึงว่าจงอยากคบคนพานคือคนไม่ฉลาดให้คบคนฉลาด เพราะคนฉลาดจะทำให้เราฉลาดคนที่ไม่ฉลาดถ้าเราครบกับเขาก็จะทำให้เราไม่ฉลาดตามเขาคนที่ฉลาดที่แท้จริงก็คือคนที่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้คนที่สามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้คนที่ทำได้แล้วก็คือพระพุทธเจ้า นะพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้านั่นเองนะพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพระอาหารหันตสาวกก็ดีหรือผู้ที่ศึกษาเพื่อเตรียมตัวให้เป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาก็ดีท่านก็อยู่ตามวัดตามวา น, นั่นเองท่านไม่ได้อยู่ตามศูนย์การค้าไม่ได้อยู่ตามร้านอาหารไม่ได้อยู่ตามแหล่งบันเทิงต่างๆ ท่านอยู่ที่วัดเป็นหลักถ้าเราอยากจะพบกับบัณฑิตพบกับคนฉลาดเราก็ต้องเข้าวัดกันเพราะเมื่อเราเข้าวัดเราก็จะได้พบกับคนฉลาดคือพระที่เป็นพระที่หลุดพ้นแล้วก็มีพระที่กําลังศึกษาปฏิบัติเพื่อให้หุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็มีเมื่อเราได้พบปา ก, กับบุคคลเหล่านี้ เราก็จะได้เรียนรู้วิธีการของการดับความทุกข์ของใจเราว่าทำอย่างไรทำให้ใจของเรานั้นมีแต่ความสุขทำให้ใจของเราปราศจากความทุกข์เราก็จะได้ยินได้ฟังได้สนทนาธรรมกับท่านเหล่านี้การฟังธรรมก็ดีการสนทนาธรรมก็ดีก็เป็นมงคลอีกอย่างหนึง่ง เราจะได้เรียนรู้วิธีการดับทุกข์ว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรกันบ้างอย่างไรเป็นมงคลกาเลนะธรรมะสวังหรือกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังกลมุตตมังมการได้ฟังธรรมตามการตามเวลาหรือการได้สนทนาธรรมตามการตามเวลาอันสมควรเป็นมงคลอย่างยิ่ง ก็จะได้ยินได้ฟังทำที่อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนถ้าทำที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วพอได้ฟังซ้าเข้าไปอีก mm. ก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลําดับจะทําทให้ความรังเลยสงสัยต่างๆในธรรมหมดสิ้นไปได้จะทําทให้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องคือปัญญาความฉลาด แล้วก็จะทำให้จิตใจสงบผ่องใสเหล่านี้เป็นมงคลต่อจิตใจจิตใจต้องการสิ่งเหล่านี้มาทานุบารุงเสริมสร้างให้จิตใจมีความฉลาดมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปตามลาดับลดความทุกข์ให้น้อยลงไปตามลาดับอนอกจากนั้นแล้วเมื่อเรามาวัดเราก็ยังจะได้ทำการ ทามงคลอีกอย่างหนึ่งก็คือการบูชาบุคคลที่สมควรต่อการบูชา mm hmm. เป็นมงคลอย่างยิ่งบูชาจจปูชนียนังเอตัมังกลรมุตตะมังเราก็จะได้มาทําการบูชาพระรัตนาตไัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาด้วยการบูชาด้วยอมิสบูชา การบูชาในพระพุทธศาสนานี้มีอยู่สองขั้นสองระดับด้วยกันขั้นแรกเราเรียกว่าอามิสบูชาทำบุญทำทานทำานุมบำนุงพระพุทธศาสนานให้พระพุทธศาสนาเจริญ่งเรืองให้อยู่คู่กับพวกเราไปไปเรื่อยๆให้อยู่ไปเป็นเวลาอันยาวนานการที่พระพุทธศาสนานจะอยู่ได้อย่าง ยาวนานก็ต้องมีผู้สนับสนุนเพราะพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้เป็นธุรกิจไม่ได้เป็นบริษัทที่จะหาเงินหาทองทำธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนานี้เกิดขึ้นจากการามิสบูชาของศรัทธาชาวพุทธที่มีความศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเอง ชาวพุทธเราก็จะเข้ามาวัดเพื่อมาทําำนุนบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการบูชาอามิสบูชาอามิสสบูชาก็คือการบูชาด้วยข้าวของต่างๆวัตถุต่างๆเช่นมาสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิสร้างพระพุทธรูปอะไรเป็นต้นเหล่านี้เพื่อให้มีที่ศึกษาและเป็นที่ปฏิบัติธรรม ของผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ของผู้ที่ปรารถนาที่จะได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานแล้วหลังจากที่ท่านได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานแล้วท่านก็จะได้เอาความรู้ที่ท่านได้จากการบรรลุมรรคผลนิพพานนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่อยากจะได้หลุดพ้นต่อไปได้ อันนี้ก็เป็นการต่ออายุของพระพุทธศาสนาทั้งทางด้านวัตถุและทางด้านความรู้ศาสนา น, นี้ไม่ได้อยู่ได้เพียงแต่วัตถุเพียงเดียววัตถุเป็นเพียงส่วนองค์ประกอบของพระศาสนาเช่นโบสถ์เจดีย์กุฏิสาราเหล่านี้เป็นเหมือนกับเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่ปฏิบัติที่ศึกษาธรรม แต่ไม่ได้เป็นตัวธรรมตัวธรรมอยู่ในใจของผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานทมแท้อยู่ในใจของพระอาหารหันต์ของพระอริยสงสาวุปแล้วทำแท้เ่อนี้ก็จะได้รับการถ่ายทอดจากพระที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วมเมื่อยังมีการถ่ายทอดพระทำแท้อยู่ก็จะมีผู้มาศึกษาและสามารถบรรลุ ทำแท้ได้ตามลำดับแล้วก็จะเป็นผู้ที่มาถ่ายทอดทาแท้นี้ให้กับรุ่นต่อๆไปเรื่อยๆ mm hmm. ประเด็นสำคัญของศาสนานี่อยู่ที่ธรรมะที่ปรากฏขึ้นในใจของผู้ที่ได้บรรลุมากผลนิพพาน mm hmm. เพราะว่าเป็นเป็นธรรมะที่จะสามารถพาให้ผู้ที่ยังไม่ได้หลุดพ้นจาก การเวียนว่ายตายเกิดจากความทุกข์ทั้งหลายให้ได้หลุดพ้นได้โบเจีดีกุติสาราวิหารอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถสอนให้คนปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ต้องเป็นพระอริยะบุคคลเท่านั้นที่จะสามารถที่จะเอาธรรมแท้นี้มาเผยแผ่สั่งสอน ให้กับผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่ก็จาเป็นที่จะต้องมีมีศาลามีเจดีย์มีโบสถ์มีส า, สาวรละวัตถุต่างๆไว้เป็นที่อยู่อาศัยไว้เป็นที่ศึกษาเป็นที่ปฏิบัติธรรมและเป็นที่ประกอบาศาสนากิจต่างๆทําพิธีกรรมต่างๆทา ง, ทางาศาสนา ก็จาเป็นที่จะต้องมีฐานวัตถุบ้างตามความสมควรแต่ไม่ใช่เป็นตัวศาสนาอย่างแท้จริงตัวศาสนาที่แท้จริงนั้นคืออยู่ในใจของผู้ที่ได้บรรลุมากผลนิพพานอยู่ในใจของพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระาอารหันต์ต่างกันตรงที่พระโสดาบัน หรือพระที่ยังไม่ได้เป็นพระอนาหันนี่ยังไม่ได้ทําแทร้อยเปอร์เซได้บางส่วนกําลังพัฒนากําลังเพิ่มศึกษาเพื่อให้ได้ทําแทบเพิ่มขึ้นไปตามลําดับพระสวดาบันก็ได้หนึ่งหนึ่งในสามหรือหนึ่งในสี่พระสกิดาคาก็ได้สองในสี่พระอนาคาก็ได้สามในสี่พระอนาหันจึงได้ทํา 100ได้ได้เต็มร้อยแต่ทั้งทั้งสี่บุคคล น, นี้ก็จะรู้พื้นฐานของทำแท้ว่าเป็นอย่างไรจะไม่หลงทางจะสามารถที่จะปฏิบัติไปจนกระทั่งได้ทำแท้ครบทั้งร้อยเปอร์เซ็น์ได้เพียงแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะได้ทำแท้เหล่านั้น<ช>ทั้งเองเพราะกำลังกำลังเจริญเติบโตเหมือนเด็ก ที่ต้องค่อยใช้เวลาเติบโตจากเด็ก<ม>เป็นผู้ใหญ่ก็<ม>ต้องมีการใช้เวลาการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติธรรมก็มีการบรรลุเป็นขั้นขั้นไป<ม>ขั้นที่หนึ่งก็ขั้นพระโสดาบันขั้นที่สองก็พระขั้นพระสกิดาคามีขั้นที่สามก็คือพระอนาคามีขั้นที่สี่ก็คือพระอาหารหันต<ม>์<ม>พอท่านได้ ทำครบร้อยเอร์เ็แล้วท่านก็พร้อมที่จะเป็นผู้สั่งสอนศรัทธาผู้ที่ปรารถนาะที่อยากจะศึกษาอยากจะปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ตราบใดท่าเรายังมีพระอาหารหันต์อยู่ในพระาศาสนาตราบนั้นพระาศาสนาจะไม่สูญหายไปแต่ถ้าตราบใดถ้าไม่มีพระอาหารหันต์หรือพระอาาริยสงสาวก อยู่แล้วศาสนาก็จะค่อยๆเสื่อมไปหมดไปเพราะการศึกษาจากพระธรรมที่มีบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากต่อความเข้าใจเวลาอ่านแล้วก็อาจจะแปลความหมายผิดบ้างถูกบ้างโอกาสที่จะได้ทำแท้นั้นก็จะยากขึ้นไปตามลำดับจนอาจจะทำให้ผู้ศึกษา เกิดความท้อแท้เกิดความเบื่อง่ายในการศึกษาในการปฏิบัติก็ได้ดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีการสนับสนุนส่งเสริมให้มีพระอริยบุคคลอยู่ในศาสนาไปอยู่เรื่อยๆด้วยการกระทำอามิสบูชาเช่นเราใส่บาตรให้กับพระภิกษุที่มาบวชนี่ พระภิกษุนี้ที่มาบวชใหม่นี้ก็เหมือนเป็นนักเรียนที่เข้าเข้าโรงเรียนมาใหม่ๆก้ามาเพื่อที่จะมาเรียนวิชาต่างๆของพระพุทธศาสน า, าสนับสนุนให้ท่านอยู่มีเวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติท่านก็จะค่อยๆเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับจากขั้นศีลท่านก็จะไปสู่ขั้นสมาธิจากขั้นสมาธิท่านก็จะไปสู่ขั้นปัญญา การปฏิบัติการศึกษาทางศาสนาก็แบ่งไว้เป็นขั้นๆเรื่งต้นก็ต้องศึกษาเรื่องศีลก่อนว่าเป็นนักบวชแล้วทำไมต้องรักษาศีลด้วย<ม>เพราะศีลนี่เป็นคอยเป็นสิ่งที่จะคอยห้ามคอยกีดกันไม่ให้กิเลสตัณหาตัวที่คอยสร้างความทุกข์กับใจตัวที่จะต้องคอยคอยกำจัดนี้ ให้มันอยู่ในขอบในเขตไม่ให้มันกระจายออกไปแบบกว้างขวางเหมือนกับจับสัตว์ที่เราต้องการที่จะมาเชือดีเราต้องจับมันขังไว้ในข้อ ก, ก่อนศีลนี้ก็เป็นเหมือนข้อที่จะจับจิตด้วยกิเลสปัญหาที่มันคอยสร้างความทุกข์ให้กับใจนี้ขังมันไว้อยู่ในข้อของศีลก่อน เมื่อเราสามารถขังกิเลสตัณหาให้มันอยู่ในข้อของศีลได้ก็คือไม่ให้มันไปฆ่าสัตว์ไม่ให้ไปลักทรัพย์ไม่ให้ไปประพฤติผิดในกามไม่ให้ไปพูดปดไม่ให้ไปดื่มสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆมันก็เป็นการง่ายต่อการที่จะจับตัวมันมาวัดขั้นต่อไปก่อนที่เราจะข้ากิเลสตัณหาได้านี้เราต้องขังมันไว้ในข้อก่อน แล้วพอมันอยู่ในคอกในที่แคบเวลาเราจะจับมันมามัดให้มันอยู่เฉยๆให้มันอยู่นิ่งๆมันก็จะง่ายถ้าไม่มีคอกมันก็สามารถไปออกไปทั่วทั่วหมดทุกแห่งทุกคนจะไปไล่ตามจับมันนี่มันก็จะยาก uh huh. เห็นเบื้องต้นผู้ที่ต้องการที่จะกำจัดต้นเหตุของความทุกข์ก็คือกิเลสตัญหาจึงจำเป็นที่จะต้องมีคอกไว้สำหรับ uh huh. ขังกิเลสตัณหาไว้ไม่ให้มันกระจายไปตามสถานที่ต่างๆเพราะเวลาถ้ามันไปที่ไกลๆนี่กว่าจะลากมันไปจับตัวมันเข้ามาได้นี่มันก็เหนื่อยและบางครัง้งเราจะไม่มีกำลังพอก็ได้เราจึงต้องสร้างคอกไว้ขังกิเลสตัณหาก่อนศีนี่แหละก็คือคอกมีทั้งคอกใหญ่คอกเล็กยิ่งมีศีนมากคอกคอกก็จะยิ่งเล็กลงเล็กลง โอกาสที่จะจับกิเลสตัณหามันก็จะง่ายขึ้นถ้ามีศีลห้าข้อมันก็ใหญ่หน่อยมันกว้างหน่อยก็จะจับมันยากกว่าถ้ามีศีลแปดศีลแปดก็ข้อก็จะเล็กลงถ้าจะเป็นศีลสิบศีลร้อยสอบเจนี้มันก็ยิ่งเล็กลงไปใหญ่ก็จะสามารถคอยคอยจับกิเลสตัณหาที่ตัวที่คอยสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆได้ง่ายขึ้น นี่คือหน้าที่ของศีลในการที่เราจะใช้ในการที่เราจะกําจัดความทุกข์ต่างๆคือเราต้องกําจัดต้นเหตุของความทุกข์ัวที่ต้นต้นเหตุของความทุกข์ก็คือกิเลส ต, ตัณหานี่เองเราต้องจับมันมาวัดไว้ไว้ในข้อในศีลเริ่มต้นเราก็ทำข้อใหญ่ก่อนเพราะเรายังไม่มีกําลังที่จะทำข้อที่เล็กลงไปแคบลงไปได้เราก็เอาศีลห้าก่อน รักษาสินห้าให้ได้ก่อนพอรักษาสินห้าได้แล้วทีนี้ก็เรามารักษาศินแปดในวันพระอย่างวันนี้ธรรมดาวันธรรมดาเราก็รักษาสินห้าไปพอวันพระเราก็หยุดทํา ง, งานทำมาหากินการจะรักษาศินแปดได้ง่ายต้องเป็นวันที่เราไม่ต้องไปทำมาหากินเพราะวันที่ทำมาหากินนี้บางทีเราก็ต้องพูดไม่ไมตรงกับความเป็นจริงบ้าง ต้องกินหลายมือ้อมันพอทางานเหนื่อยก็ต้องกินหลายมือ้อมันก็จะทําทให้เรารักษาศีนแปดไม่ได้แต่วันพระนี่อย่างวันนี้เราหยุดทํางานเราก็ไม่ต้องกินมากก็ได้กินแค่วันละมือ้อสองมื้อก็พอกินไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วเพื่อกำจัดคอยคอยคอยกีดกัน้นตัวกิเลสที่อยากจะกินมากมากนี่ กิเลสตัณหาที่ชอบกินนี่พอมาถึงศีลแปดมันก็กินได้แค่เที่ยงวันเท่านั้นเองหลังจากเที่ยงวันก็หมดสิทธินี่คือการสร้างคอกไว้กักขังตัวกิเลสตัณหาตัวที่เราจะต้องเอามาฆ่าให้ได้เบื้องต้นเราต้องจับตัวมันให้ได้ก่อนวิธีจะจับตัวมันก็ต้องกั้นคอกเอาไว้ให้มันอยู่ในคอกในที่มัน มันแคบมันที่เราสามารถไล่ตามกับตัวมันได้ง่ายถ้าได้ศีลห้าก็ได้ครอกใหญ่ถ้าอยากจะให้คลอกมันเล็กลงไปอีกก็ถือศีลแปดถ้าถ้าอยากจะให้มันเล็กกว่านี้ต่อไปก็อาจจะไปบวชก็ได้บวชเป็นแม่ชีเป็นพระถือศีลของพระก็ได้แม่ชีก็ถือศีลของพระบางส่วนสามารถถือศีลได้ไม่ห้ามศีลของพระแม่ชีก็ถือได้ใครอยากจะถือก็ไม่มีใครห้าม เพราะว่ามันเป็นธรรมเป็นของดีเป็นของที่จะช่วยเราจับกิเลสตัญหาได้ง่ายขึ้นนั่นเองนี่คือหน้าที่ของศีลก็ต้องศึกษาแล้วก็พยายามรักษาศีลต่างๆที่เรานักที่เราทำเป็นคอกไว้จับกิเลสตัญหาพอเรามีคอกแล้วทีนี้ก็ง่ายต่อการจับกิเลสตัญหามาผูกมามัดให้มันอยู่เฉยๆก่อนที่เราจะเชื่อมันก่อนที่เราจะฆ่ามันได้ เราต้องจับตัวมันมามัดก่อนเหมือนคนที่เขาฆ่าไก่เชือดไก่นี่เขาก็ต้องจับตัวไก่มามัดไว้ก่อนมัดมือมัดเท้าอย่างนี้เรถึงจะค่อยเชือดมันได้เรขั้นต่อไปจากหลังจากที่เรามีข้อขังมันไว้แล้วเราก็สามารถไปจับมันมามัดได้การจับกิเลสฐานมามัดก็คือการนั่งสมาธินั่นเองเวลาเรานั่งสมาธิเราทาใจให้นิ่งๆ การทำใจให้นิ่งก็คือการจับกิเลสตัณหามามัดนั่นเองเพราะเวลาใจนิ่งสงบแล้วกิเลสตัณหาก็เดินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อยากจะกินอยากจะดื่มอะไรก็ไม่มีไม่คิดขึ้นมาไม่ทำเพราะว่าไม่มีไม่มีความคิดกิเลสตัณหาจะทำอะไรได้ต้องมีความคิดก่อนพอจิตคิดเมื่อไหร่ปั๊บมันเริ่มคิดไปทางกิเลสตัณหาทันที อยากจะกินนั่นอยากจะดู น, นั่นอยากจะฟังนี่อยากจะเดิ่มนั่นดิมนี่อยากจะไปที่นู่นอยากจะมาที่นี่ mm hmm. พอเรานั่งสมาธิทำจิตให้นิ่งปับ๊บมันก็ทำอะไรไม่ได้ mm hmm. ก็เท่ากับจับจับจับกิเลสตัณหามามัดไว้เลย mm hmm. แล้วพอเราออกจากสมาธิมาพอเราปล่อยให้มันได้ขยับเขยื่อน mm hmm. แต่มันก็ยังไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงเพราะมันถูกจับมัดไว้ เราก็เอามีดมาเชื่อดคอมันได้เลยมีดที่เราจะมาเชื่อดคอกิเลสตัณหาก็คือปัญญานี่ปัญญาปัญญาก็จะสอนเราให้รู้ว่าความทุกข์ทั้งหมดที่เรามีอยู่ในใจนี้มันไม่ได้เกิดจากใครที่ไหนเลยเกิดจากกิเลสตัณหาตัวเดียวนี่ <S <S พอเกิดตัณหาปั๊บนี่ใจอยู่ไม่เป็นสุขแนละอยากจะไปนู่นมานี่พออยากจะไปนู่นมานี่ให้อยู่เฉยๆอยู่ไม่ได้นะ แต่เวลาที่ยังไม่มีความอยากไปนู่นมานี่ให้อยู่เฉยๆอยู่ได้พอเกิดความคิดขึ้นมาว่าที่นั่นหน้าเที่ยวที่นั่นหน้าไปเนี่ยพอเกิดความอยากไปขึ้นมาทีนี้อยู่บ้านไม่ได้ละดินละอยู่ไม่เป็นสุขละไม่มีความสุขละนั่นแหละคือตัวตันหาตัวที่สร้างความความทุกข์ให้กับใจแล้วยิ่งถ้าไปเจอปัญหาหนักๆเช่นเวลาเกิดเจอโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมา ใจก็เริ่มทุกข์ขึ้นมาแล้วทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความอยากไม่เจ็บนั่นเอง mm. ยิ่งถ้าไปเจอโครคภัยไข้เจ็บที่จะทําให้ตายได้ยิ่งทุกข์ใหญ่เพราะว่าไม่อยากจะตายกัน mm. ไม่อยากจะเจ็บกันไม่อยากจะตายกันแต่เราก็ห้ามมันไม่ได้ร่างกายถึงเวลามันจะเจ็บถึงเวลามันจะตายมันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องตายไปเป็นธรรมดา mm. ปัญญาก็จะสอนให้เรายอมรับความจริงว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราว มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดามีอะไรแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องเสียมันไปไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองบุคคลนั้นบุคคลนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้วันใดวันหนึ่งมันก็อาจจะจากเราไปได้ถ้าเรายอมรับความจริงได้ว่ามันเป็นของอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวแลวไม่ไปอยากให้มันอยู่กับเราถ้ามันจะไปก็ปล่อยให้มันไป พอเราปล่อยได้ยอมรับความจริงว่ามันไปก็ต้องปล่อยให้มันไปเพราะเรายับยั้งมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้ก็ปล่อยมันไปพอเราปล่อยมันไปความทุกข์ใจความเสียใจก็จะไม่เกิดขึ้นมาความทุกข์ใจที่เกิดจากความเสียใจเศร้าโศกเสียใจก็จะไม่มีเพราะเรายอมรับความจริงด้วยปัญญาปัญญาจะสอนให้เรามองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังสัพเพสังขารานิจาระ ของทั้งสิ่งบุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังสิ่งบุงแต่งก็คือสิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเช่นร่างกายของเราต้นไม้ใบหญ้าร่างกายของสัตว์นี่หรือสิ่งต่างๆที่เราเอามาปลูกสร้างกันบ้านเรือนอะไรต่างๆรถยนต์อะไรต่างๆของอะไรต่างๆที่เราผลิตกันนี้เขาเรียกเป็นสังขารทั้งนั้นเพราะมันมีการประกอบจากด้วยธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ แล้ววัหนึ่งมันก็จะต้องมีการแยกทางกันไปมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวถ้าเรามองเห็นด้วยปัญญาเราก็จะระงับความอยากอยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ของทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวแม้แต่ร่างกายของเรามันก็เป็นของชั่วคราววันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปอย่างแน่นอนถ้าเรามีปัญญาเราก็จะวางใจเฉยๆ เวลาเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถทำอะไรได้ไม่สามารถยับยั้งการเสื่อมการจากไปได้เราก็ปล่อยให้มันจากไป mm. เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่สามารถห้ามไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยได้ก็ยอมให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไปถ้ามันจะเป็นโรคที่จะต้องตายก็ต้องยอมให้มันตายไปเ mm. พราะมันต้องถึงวันหนึ่งที่ร่างกายจะต้องตายอย่างแน่นอนทุกคนเนี่ยทุกคนที่นั่งฟังเทศฟังธรร ม, มอยู่ตรงนี้ วันหนึ่งก็จะต้องจายจากโลกนี้ไปด้วยกันทุกคนไม่ว่าเขาไม่ว่าเราให้สอนใจด้วยปัญญาแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องมีการสูญเสียเกิดขึ้นมาใจจะได้ไม่ทุกข์เพราะใจไม่มีความอยากเพราะใจหยุดความอยากให้ไม่สูญเสียได้ถ้ามีกิเลสตัณหากิเลสตัณหามันจะอยากให้อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดไม่อยากให้มันจากเราไปมันก็จะสร้างความทุกข์ทรมานให้กับจิตใจขึ้นมา แต่พ่อมีปัญญามาสอนใจว่าต้องยอมรับความจริงทุกอย่างไม่เที่ยงไม่แน่นอนเป็นของชั่วคราวเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปเป็นของเป็นเหมือนของที่เรายืมเขามาวันหนึ่งเราก็ต้องคืนเจ้าของเข้าไปเจ้าของของสิ่งต่างๆที่เรายืมมาก็คือใครก็คือธาตุสีนี่เองธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่คือปัญญาที่เราจะมาใช้เชือดกิเลสปัญหาในขั้นสุดท้ายพอเราเชื ตัณหาให้มันตายแล้วทีนี้ก็จะไม่มีตัวมาสร้างความทุกข์ให้กับใจเวลาอะไรจะมาก็เฉยไม่เดือดร้อนเวลาอะไรจะไปก็ไม่เสียใจรับกับทุกสภาพได้เพราะจิตใจไม่มีความอยากกับอะไรอีกต่อไปอะไรจะมาก็ปล่อยมันมาอะไรจะไปก็ปล่อยมันไปอะไรจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ใจเฉยๆได้กับทุกอย่างทุกเรื่องทุกราว อันนี้แหะเป็นการฆ่ากิเลสตัณหาความอยากต่างๆถ้าไม่มีปัญญากิเลสมันก็จะชอบจู้จี้จุกจิกอันนี้ก็ไม่อยากได้อันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็เบื่ออยากจะให้มันไปอันนั้นก็อยากได้มันมายังไม่ได้มันก็มันก็สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจอยู่ได้เลยพอพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นของชั่วคราวได้มาก็ต้องเสียไปสิ่งที่อยู่กับเราวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไป สิ่งที่เราชอบแล้วไม่ชอบก็ตามเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปอยู่ดีไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยๆอยู่กับมันไปเท่านั้นเองแล้วใจจะได้ไม่ทุกข์ใจจะได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายอันี้ก็คือการมารมาศึกษามาปฏิบัติเพื่อสร้างธรรมแท้ให้ปรากฏขึ้นในใจเพื่อได้เพื่อที่จะได้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีอายุยืนยวนาวนานต่อไปาการสืบทอดต้องสืบทอดด้วยทางการปฏิบัติธรรม เสื่อมอดทำจากใจสู่ใจจากใจของพระพุทธเจ้าที่มีบรรจุไว้ในพระธรรมคำสอนหรือในคำสอนของพระอาหารหันต์ตาคกทั้งหลายเอาคำสอนเหล่านั้นมาเข้ามาสู่ใจของผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติพอปฏิบัติพอบรรุษถึงผลแล้วก็จะได้ได้ทำแท้ได้มรรคผลผนิพพานที่จะสามารถเอาไปเผยแพร่สั่งสอนให้กับผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต่อไป นี่คือเรื่องของการมาวัดมาสร้างความเป็นสิริมงคลให้ทั้งกับตนเองและให้ทั้งกับพระาศาสนาด้วยการด้วยการบูชาพระาศาสนาด้วยอาบิสบูชาสนับสนุนผู้ที่มาศึกษาผู้ที่มาปฏิบัติธรรมให้ได้มีเวลาให้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ไม่ต้องมาคอยกังวลกับการเรื่องการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ถ้าเมื่อได้ศึกษาเต็มที่ก็จะได้บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วพระเจ้าทรงแสดงไว้ในพระสูตรปติปฐานสูตรว่าถ้าได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเนี่ยไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีสามารถบรรลุมรรคผลที่ผ่านได้อย่างแน่นอนพวกเราที่เป็นชาวพุทธก็ถ้าเราอยากจะสนับสนุนพร ะ, พระาศาสนาเราก็สนับสนุนผู้ที่มาศึกษาผู้ที่มาปฏิบัติตำ ให้มีปัจจัยสี่พร้อมบริบูรณ์คือให้มีอาหารบิณฑบาตให้มีเครื่องนุ่มห่มจีวรให้มีกุฏิที่อยู่อาศัยและมียารักษาโรคเวล า, ลก า, าเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆการได้ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาอย่างนี้ก็เป็นมงคลกับชีวิตของเราเพราะเราจะได้พึ่งพาพระพุทธศาสนาสอนเราพาเราให้ได้ให้เราได้หลุดพ้นจากมรรคผลนิพพานให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆต่อไปนั่นเอง เมื่อเราพร้อมที่จะออกบวชพร้อมที่จะปฏิบัติเราก็จะได้มีที่ไปศึกษาไปปฏิบัติมีผู้ที่จะคอยทำานปบำรงุงช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษาการปฏิบัติของเรานั่นเองนี่ก็คือเรื่องราวต่างๆของความเป็นมงคลที่เราสามารถที่จะตักตวงให้กับจิตใจของเราได้ในวันพระถ้าเรามาวัดกันมาทาสิ่งที่เป็นมงคลเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หาคนฉลาด แล้วกบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูบชาสร้างปัญญาด้วยการฟังเทศฟังธรรมสนทนาธรรมกันไปอย่างวันนี้เรามาฟังธรรมเราได้เรียนรู้เรื่องมงคลต่างๆถ้าเดี๋ยวถ้าเรามีข้อสงสัยอะไรล้วก็ยังมีการสนทนาธรรมอีกอีกตอนหนึ่งและหลังจากที่แสดงธรรมเสร็จนี้แล้วก็ยังมีการปฏิบัติธรรมอีกครั้งอีกด้วยเราจะมาจับกิเลสตัณหาผูกมัดเอาไว้ ไม่ให้มันดินเพื่อเราที่จะได้เอาปัญญามาเชื่อมันมาฆ่ามันได้าการแสดงธรรมสำหรับวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาตามที่ได้กาหนดไว้ก็ขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้เพราะลำดับต่อไปเราก็จะมาปฏิบัติธรรมกันมาปฏิบัติบูชาต่อตอนตอน้นเราก็ทำอมิตรบูชาตอนเช้าเราก็ใส่บาตรถวายจัตัวปัจจัยทายทานต่างๆแล้วตอนนี้เราก็มาฟังธรรม เพื่อให้เกิดความรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องล้วขั้นต่อไปเราก็จะมานั่งสมาธิกันเป็นการปฏิบัติขั้นที่สองขั้นแรกเราก็วันนี้สมาทานศีลห้าศีลกันไปสร้างข้อ ก, ก็ไม่ให้ปีเล ต, ตันหาพาเราไปตามศูนย์การค้าไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้มันอยู่ในวัดให้มันมาวัดสร้างข้อไว้ที่วัดแล้วให้มันมาอยู่ในวัดแล้วเพื่อที่เราจะได้มีเวลามานั่งสมาธิกัน การนั่งสมาธิก็เหมือนกับเอาเชือกมามัดกิเลสตัญหาไม่ให้มันดิ้นนั่นเองพอพอเราได้สมาธิแล้วพ อ, อ, อกจากสมาธิมาเราก็เอาเอาปัญญาคือมีดมาเชื่อมันได้เลย mm hmm. แล้วต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบ mm hmm. เพื่อผูกมัดกิเลสตัญหาไม่ให้มันไม่ให้มันดิ้นไม่ให้มันทําสร้างความทุกข์ให้กับเรา mm hmm. ด้วยการเจริญสติ mm hmm. การที่จะทําให้จิตนิ่งจิตสงบได้ต้องมีสติ สตินี้แหะเป็นเหมือนเชือกที่จะมัดกิเลสตัณหาให้มันไม่ให้ดิ้นให้มันอยู่เฉยๆสติคือการระ ล, ลึกรู้ระ ล, ลึกรู้อยู่กับอารมณ์ที่จะกล่อมใจให้นิ่งให้สงบเรียกว่ากรรมฐานเช่นการอกรรมฐานก็คือการบรอลีรามพุทโธนี่ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งการดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างหนึ่นนงหรือการสวดมนต์ก็เป็นการเจริญกรรมฐานอีกอย่างหนึ่ง เราสามารถเลือกใช้ได้ตามความพาตามเหมาะตามความเหมาะสมบางทีเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิเรายังไม่สามารถดูลมได้หรือบริกรรมพุทโธได้เพราะใจเราคิดมากคิดเรื่องมากเราก็ใช้การสวดมนต์ดับความคิดต่างๆก่อนสวดไปเรื่อยๆสวดบทที่เราจําได้บทไหนก็ได้บทสั้นบทยาวก็ได้ข้อสำคัญขอให้มันสวดไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะรู้สึกเบาเย็น ความวามุ่นวายใจต่างๆค่อยค่อยค่อยหายไปแล้วสามารถมาดูลมได้แล้วสามารถบวริกรรมพุโทโธได้เราก็หยุดสวดมนต์ล้วก็เปลี่ยนมาดูลมหายใจเรื้อบริกรรมพุโทโธไปแล้วก็ผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นลมก็ได้จะเป็นพุโทโธก็ได้อย่าทิ้งกรรมฐานผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานไปเรื่อยๆเวลานั่งมีอะไรมาแทรกเข้ามาก็ไม่ต้องไปสนใจ มีเสียงเข้ามาก็ไม่ต้องสนใจมีภาพอะไรปรากฏขึ้นมาก็ไม่ต้องสนใจมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาก็ไม่ต้องสนใจร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่ต้องสนใจมีความคิดต่างๆแทรกเข้ามาก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นถ้าเราต้องการให้ใจนิ่งให้ให้ใจสงบเป้าหมายของการนั่งสมาธิก็คือให้ใจนิ่งให้ใจสงบเพราะใจนิ่งใจสงบเราจะเกิดความสุขขึ้นมา ซึงเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงแล้วจะทำให้เรามีกำลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาที่จะหยุดกิเลสตัณหาเวลาที่มันโผลขึ้นมาในขณะที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิได้อ น, นี่คือวิธีการนั่งสมาธิโดยสังเกตแล้วต่อไปนี้เราก็จะมานั่งกันอีกประมาณสักยี่สิบสามนาทีด้วยกันอตอนนี้เวลา สำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกก็ให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบไหมถ้าสงบก็ให้จดจําวิธีนั่งของวันนี้ไว้แล้วคราวหน้าเวลามานั่งก็ใช้วิธีนี้ต่อไปได้เลยถ้ายังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังไม่มีมากพอควรจะเจริญสติให้มากขึ้นเราสามารถเจริญสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเรื่อย หรือคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหว ต, ต่างๆของร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปที่อื่นแล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้ง่ายแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พร <N un> <S <S อยะทาวารวาหาปุรา ป, ปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตุทินงังเปตนานังอุปกัปติ เอติตังปาิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสัพเพปุเรนตุสังกปะาจันโทปนาราโสยถามะนิโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวัจันโตสัพพะโรโววินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทิคายุโกภวะ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 เป็นช่วงเดียวที่จะได้รับคำตอบเพราะถ้าเลิกแล้วมาถามในภายหลังจะไม่สะดวกจะรจะไม่ได้ตอบถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กราบเรียนครับผ้อาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook ผู้อาจารย์สุชาติ253าสาท่านทาง u t u b e ผู้อาจารย์สุชาติส98ท่าน ทาง y o u t u ด e อกเรวี44ท่านทางวิทยุออนไลน์9ท่านทาง l ั b เฮ u s e 7ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ135ท่านรวมทั้งหมด746ท่านครับหลางนิมมัสการพระอาจารย์จะมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมานากุติ ถามเข้ามาว่าผู้เป็นโรคซึมเศร้าควรใช้ธรรมะข้อใดในการคิดแนละรมคะหรือผู้ที่มีโอกาสจะเป็นโรคซึมเศร้าควรคิดและปฏิบัติอย่างไรคะธรรมะช่วยคนเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคะได้เพราะโรคซึมเศร้าเกิดจากความอยากต่างๆพอไม่ได้ความอยากก็เสียใจก็เศร้าใจต้องลดความอยากลง โดยการฝึกสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วจะมีความสุขแล้วความอยากต่างๆก็จะเบาบางลงแล้วก็จะหายซึมเศร้าอย่าไปอยากได้อะไรจากใครยพยายามอยู่กับสิ่งที่เรามีอยู่พอใจกับสิ่งที่เรามียินดีกับสิ่งที่เราได้รับแล้วเราจะไม่ซึมเศร้าแต่ถ้าเราอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ พอไม่ได้ดังใจอยากก็จะเสียใจพอไม่ได้บ่อยๆก็จะเศร้าใจซึมเศร้าไปเห็นพยายามฝึกสตินั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วอาการซึมเศร้าต่างๆก็จะน้อยลงไปเบาลงไปเจ้าค่ะคำถามต่อไปกราบหลวงพ่อเจ้าค่ะขอเรียนถามการฉันน้อยกินข้าวน้อยมือ้อแบบหนึ่งถึงสองมือ้อ จะทำให้โรคน้อยแต่ทางการแพทย์จะมีความรู้ว่าเกรงสารอาหารไม่ครบเราคิดแบบไหนดีคะมไม่ได้อยู่กินกี่มื้อหรอกมันอยู่ที่ว่ากินมากหรือกินน้อย<ม>กินมื้อเดียวกินมากมันก็มันก็มากเกินไปก็มันก็ไม่ไมจำเป็นกินกินหลายหลายมื้อแต่กินนิดเดียวมื้อละคำสองคามันก็ไม่พอ คือการกินอาหารนี้ให้มันพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายซึ่งโดยปกติแล้วก็สำหรับนักปฏิบัติีนวันละมื้อก็พอเพียงดูหลวงปู่ลงตาท่านท่านกินมาวันละมื้อเป็นสิบสิบปีท่านอยู่อายุยืนถึงแปดสิบเก้าสิบร้อยปีฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรากินกินกินน้อยแล้วเราจะขาดสารอาหาร น้อยแต่เมื่อเราไม่ต้องใช้ร่างกายมากเราก็ไม่ต้องมีสารอาหารมากเหมือนเติมน้ำมันรถนะ่ะถ้าเราไม่วิ่งไปไกลๆแล้วติมนิดเดียวก็พอก็วิ่งได้ตามที่เราต้องการถ้ามาเป็นนักปฏิบัติธรรมนี่ไม่ค่อยได้ใช้ร่างกายเท่าไหร่ไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ใช้ร่างกายใช้แรงเราัาอยากจะใช้ทางใจซะมากกว่านั่งเฉยๆนี่จะไปใช้แรงอะไรเรามาก็เดินจงกรม การยงคงก็เป็นการออกกำลังกายไปในตัวเพราะฉะนั้นทำตามที่พระเจ้าสอนนะไม่ต้องกลัวหรอกอยู่อยู่ไปตลอดรอดฝั่งรับประกันได้แปดสิบเก้าสิบร้อยปีนี่ทั้งนั้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าก็แปดสิบขึ้นไปอุบาอาจารย์ต่างๆก็แปดสิบเก้าสิบร้อยหนึ่งกินมื้อเดียวก็พอถ้าทำได้ถ้าไม่ได้ก็อย่าเกินเที่ยงวันสองมือ้อแต่อย่าเกินเที่ยงวันก็แล้วกันพอละ การให้อาหารทาร่างกายแค่นี้ก็พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายคํำถามต่อไปว่าพระสามารถฉันน้ำหมักชาคอมบูชาได้ไหมเจ้าคะเห็นว่ามีแอลกอฮอล์ถ้ามีแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นของมึนเมาเข้าอะไรเข้าอย่างที่เข้าเข้าอะไรที่เข้าเข้าเ ข, ข, ข้ามาเข้ามาก็ไม่ได้เพราะมันมันเป็นมันเหมือนกับมันมีนม มีสุราปนอยู่กราบพร้าอาจารย์ครับถ้าเราบทเนหน้าไฟให้ญาติที่เสียชีวิตเชา้าเย็นสึกเราจะได้บุญไหมครับได้ได้บุญแบบเร่งหลอกเจ้าไหมสิลนห้าสิ่ข้อห้าของมืนเมารวมบุรีไหมครับไม่บุรีไม่เมาสืบบเรีนั้วยังมีสติสมบูรณ์อยู่ เหมือนตอนดิ่มสุราถ้าดื่มสุราแล้วยิ่งดื่มมากก็ยิ่งมึนเมามากขึ้นเราจะไม่สามารถควบคุมการกระทําต่างๆของร่างกายได้ก็จะทําให้ทํำบาปได้ง่ายแต่สุราแตา่บุหรี่หรือหมากพลูนี่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมให้มึนเมาแต่อย่างใดสมัยก่อนนี่เป็นธรรมเนียมเวลาพระนิมนต์พระไปบ้างเขาจะเตรียมหมากพลูไว้บุหรี่ไว้เป็นของเหมือนกับเป็นของต้อนรับพบระไป แต่สมัยนี้เนื่องจากคนสูบบุหรี่มากสูบเลยเถิดสูบวันละสองสามซองจนกระทั่งเป็นโรคทางโรคปอดทางเดินลมหายใจเขาก็เลยมีการต่อต้านขึ้นมาก็เลยไปเห็นว่าพักสูบบุหรีม่มวนเดียวก็ก็ไม่ดีแล้วควาจริงมันอยู่ที่การกานสูบมากสูบน้อยสูบได้มันไม่ได้ทําให้ผิดศีลผิดทางผิดอะไรต่างๆเคี้ยวหมากก็เหมือนกัน มันก็ไม่ได้ทาให้เกิดการมึนเมาหรืออะไรขึ้นมามันเป็นเรื่องของธรรมเนียมทางโลกที่เขานิยมทำกันแต่ตอนนี้ทางโลกเขาไม่นิยมแล้วก็แล้วไปคำถามจากอินบ็อกช่ค่ะขอถามครับ พระอาจารย์ครับการบริจากร่างกายนี้ดีหรือไม่ครับพระอาจารย์จะบริจาคไหมครับขอบความคิดเห็นพระอาจารย์ครับออไม่ใช่เรื่องของเราเนะคุณถามตัวคุณเองดีกว่าคุณจะบริจาคหรือไม่คือการบริจาคกับมันดีเพงแต่ว่ามันจะได้บุญหรือไม่นี่มันขึ้นอยู่กับเราบริจาคเวลาไหนถ้าเราบริจาคตอนที่เราตายไปแล้วจะไม่ได้บุญเพราะเราไม่รู้ว่าร่างกายของเรานี้เข้าไปทาอะไรแล้วกัน แต่ถ้าเราเบิจากตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้ได้บุญเช่เราเบิจากตายไปข้างนึยเบิจากเลือดอย่างเงี้ยเราจะรู้ตัวว่าเรากําลังเสียสละสิ่งที่เรารักสิ่งที่มีคุณค่ากับเราไปเมื่อได้เสียสละแล้วทาให้ผู้อื่นเขาได้รับประโยชน์สุขเราก็จะมีความสุขขึ้นมอันนั้นแหละคือบุญแต่เวลาตายไปแล้วเราไม่รู้แล้วว่าร่างกายของเราเข้าไปทําอะไรกันอย่างไรบ้างางั้นถ้าอยากจะได้บุญก็บริจากตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ แต่ถ้าเบริจากตอนที่เราตายไปแล้วก็ยังมีประโยชน์อยู่ยังดีเป็นสิ่งที่ดีอยู่คนคนอื่นเขาถาต้องการอาวัยวะเขาก็เอาไปใช้ได้อยู่แต่เราจะไม่ได้ประโยชน์เราจะไม่ได้บุญฝากคำถามนะหาจากอินบ็อกซ์เมื่อเราลืมความจำหายไปชั่วขณะทำเงินก้อนใหญ่หลนหายไปเหตุเกิดจากอะไรคะสาธุค่ะเกิดจากการไม่มีสตินี่ ถ้ามีสติก็จะรู้สึกตัวตลอดเวลาเราไม่มีสติปั๊บมันก็เผลอมันก็ลืมไปว่าทำอะไรไ ป, ไปเอาไปวางไว้ที่ไหนก็ไม่รู้เพราะตอนนั้นใจเรากำลังพูดคุยทางมือทรศัพท์มือถืออยู่กับเพื่อนอยู่แล้วก็วางของไว้แล้วพอคุยเสร็จก็เดินไปเลยลืมของทิ้งไว้แสดงว่าไม่มีสติค่ะคำถามต่อไปกระดาษอาจารย์สอบถามว่า เวลาดูข่าวหรือโซเชียลต่างๆทำไมเดี๋ยวนี้ผู้คนดูใจร้อนทำร้ายกันง่ายๆหรือทำอะไรบาปไม่ดีไม่เหมาะสมกันมากมายหรือเพราะว่ายุคสมัยนี้มีโซเชียลเราเลยรู้เลยเห็นได้ง่ายทั้งที่จริงๆแล้วสังคมก็เป็นแบบนี้มานานแล้วแต่เมื่อก่อนเราไม่รู้ไม่เห็นใช่มันเป็นกิเลสของคนชอบ ด, าด่าคนอื่นไม่ชอบ ด, าด่าตัวเอง <laughs> จาก Facebook เฟซบุ๊กเค่ะนามัสการครพาพราจารย์ตอนนี้พยายามฝึกสติอยู่ครับพยายามอยู่กับลมเวลาไม่ได้ทำกิจการงานครับตอนนี้สังเกตเห็นว่าเวลาเราลืมลมเวลามีทุกขเวทนามากระทบลมจะกลับมาทันทีแต่เวลามีสุขเวทนามากระทบสติจะหลุดได้ง่ายท า, ทางที่เรากาลังเจริญสติอยู่ อันนี้มีอุบายทางออกหรือไม่ครับนอกจากฝึกสติให้มากขึ้นครับเพราะว่าทำไปอยู่ที่มันทําให้เรามีความทุกข์เลยไปอยู่ในป่าช้าอย่างนี้ไปอยู่ในที่นับที่เปรียวที่น่ากลัวมันก็จะมีความทุกข์มันก็จะบังคับให้เรามีสติเพิ่มมากขึ้นพอเราไปอยู่ที่ปลอดภัยที่สบายเราก็เลยไม่มีความจําเป็นจะต้องมีสติแล้วก็เลยปล่อยสติไป ให้จะฝึกสติให้มีสติยืนเรื่อยๆอยู่มากๆก็ต้องไปอยู่ที่ที่เปลีย่ยวที่น่ากลัวหรือที่อัตคัขดขาดถึงข า, ขาดแคลนพอเราเจอกับความทุกข์ต่างๆเราต้องมีสติมาคอยรักษาใจเราลนะแต่ถ้าเราไม่มีความทุกข์ใจเราก็ไม่ต้องมีอะไรมารักษาก็ปล่อยให้สติหายไปได้คำถามจากเฟซบุ๊กค่ะกราบธรรมศารพระอาจารย์ค่ะหนูขอกราบเรียนถามว่า บางทีอยู่คนเดียวเราก็เกิดความสุขขึ้นมาเองแบบมองอะไรก็ดูสวยงามไปหมดได้ยินเพลงอะไรก็เหมือนจะไพเราะไปหมดแต่หนูก็คิดว่าเป็นเพราะบุญเนื่องจากช่วงนั้นจะสวดมนต์นั่งสมาธิเช้าเย็นต่อเนื่องกันทุกวันแม้ว่าจะดึกจะง่วงแค่ไหนก็ฝืนทําคําถามคือหนูไม่ควรยึดติดความสุขแบบนี้ใช่ไหม คะกราบขอบพระคุณค่ะก็ทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเลยพิจารณาเป็นอนิจจังไปให้หมดเราอย่าไปยึดอย่าไปติดเพราะว่าเวลามันหมดไปมันจะทําให้เราเศร้าถ้าไปยึดไปติดมันแต่ถ้าเราไม่ยึดติดให้รู้เฉยๆว่าเขามาแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปพร้อมที่จะให้เขาไปเวลาเขาไปเราก็จะไม่ทุกข์จาก y o ยูทูปพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าเพื่อนเราสองคนไม่พอใจกัน แต่ละคนก็มาบ่นอีกคนให้เราฟังดูแล้วเขาไม่เข้าใจกันแต่ไม่พูดกันเราควรจะเข้าไปพูดให้เขาเข้าใจกันไหมคะหรือวางเฉยดีเจ้าคะถ้าก็เชิญเขาไปถ้าก็ไม่เชิญก็อย่าไปจาก youtube พระอาจารย์เจ้าการกราบนรรมส ก, การคะ่ะเวลาทําบุญเราต้องอธิษฐานก่อน บุญอุทิศให้พ่อแม่ญาติพี่น้องครูบาอาจารย์เจ้าคําในเวรสรรพสัตว์เทวดาขอ ค, คําชี้นําค่ะก็ก็อยู่กับเขาคาอธิฐานแปลว่าอะไรถ้าแปลว่าขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็อย่าไปอธิฐานให้เสียเวลาเลยเพราะขอยังไงก็ไม่ได้ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกรัตตรี่รางวัลที่หนึ่งอย่างเงมันเป็นไปไม่ได้หรอกนอกจากมันโกคท่านเองนานๆาจจะเกิดขึ้นทักทั้งเลง เพ็นถ้าอธิษฐานแบบขออย่าไปอธิษฐานแต่ถ้าอธิษฐานแบบความตั้งใจนี้ต้องต้องมีอธิษฐานก่อนก่อนที่เราจะทําบุญเราต้องตั้งใจก่อนใช่ไหมเช่นวันนี้จะมาวัดได้กเราต้องตั้งใจงตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วว่าวันนี้เป็นวันพระจะมาวัดอันนี้แหละอธิษฐานด้วยความตั้งใจถ้าอย่างนั้นต้องมีเพราะถ้าเราไม่ตั้งใจเดี๋ยวพอถึงเวลาเราอาจจะไปที่อื่นแทนก็ได้ถ้ามีเพื่อนมาชวนไปนู่นมานี่แล้วมีงานอย่างอื่นเข้ามา เราก็จะไม่ได้มาวัดก็ได้แต่ถ้าเราตั้งใจตั้งอธิษฐานแล้ว่าวันนี้จะมาวัดแล้วเรามีศัจจะด้วยความจริงใจพอถึงเวลาจะมีอะไรมาลากเราไปที่อื่นเราก็ไม่ไปเพราะเราตั้งใจไว้แล้วเราจะมาวัดถ้าอย่างนี้ต้องมีเมื่อเราจะได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำได้สำเร็จถ้าเราไม่ตั้งจิตอธิษฐานไว้เดียวพอถึงเวลาจะทำก็ไม่ได้ทำก็ได้แต่ถ้าตั้งจิตอธิษฐานแล้วพอถึงเวลาก็ต้องทาก็จะได้ทาในสิ่งที่เราอยากจะทา เ จ, จ้าค่ะจากยูทูปอาจารย์เจ้าค่ะขอสอบถามค่ะจะทําอย่างไรถึงจะมีสมาธิในการทํางานหรือทํากิจกรรมอื่นๆคะเป็นคนสมาธิไม่ค่อยอยู่กับตัวคะ่ะก็ฝึกสติให้มากๆตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็ตั้งสติก่อนคือตั้งพุโทโธไว้ในใจอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆ ไปทํางานในห้องน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็พุโทโธไปอย่างเดียวมันก็จะกันไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เราก็จะมีสติเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆพยายามจเจริญสติบ่อยๆแล้วเราจะมีสติมากขึ้นไปตามลําดับจากยูทูบเจ้าค่ะกราบธรรมสการถามเจ้าค่ะถ้าเราคิดดีทําดีพูดดีถือว่าเราพ้นทุกข์หรือยังเจ้าค่ะยัง คิดดีผดดู้ดีทําดีก็ทําให้เราได้ผลดีจากการคิดดีผู้ดีทําดีแต่กิเลสมันก็ยังไม่ตายจากการคิดดีผู้ดาาีทําดีค่ะจาก youtube เจ้าค่ะทําไมคนถึงชอบให้บวชหน้าศพครับก็ เ, เป็นธรรมเนียมเหมือนเวลาเวลาเขาแต่งงานกันเขาก็มีธรรมเนียมมีอะไรของเขาไปเวลาคนตายเขาก็ต้องมีธรรมเนียมประเพณีไปเชื่อว่า การบวชนี้จะส่งบุญให้คนตายไปไปสวรรค์ได้ทั้นี้แต่ความจริงมันเป็นไ บ, บไม่ได้หรอกบุญที่จะส่งคนตายไปสวรรค์ได้ก็คือการทําทานการใส่บาตรการบริจาคข้าวของอะไรต่างๆให้กับวัดอย่างนี้อันนี้เป็นบุญที่จะสามารถส่งให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติได้แต่การมาบวชเช้าร้สุดเย็นนี้มันยังไม่ได้อะไรเลยยังไม่รู้เลยว่าบวชอะไรเป็นยังไง บ่นท่านหนีข้าวเย็นกัมากกว่ากลัวจะไม่ได้กินข้าวเย็นไงบ่นเช้ารู้สึกรู้สึกปรพฤติกินข้าวจากเฟซบุซ๊กสวสกราบขอากาศพระอาจารช่วงระหว่างออกจากนั่งวิปัสสนามาสู่การเดินจงกลมต้องปฏิบัติอย่างไรให้เหมาะสมครับให้มีสติต่อเนื่อง ออกจากสมาธิมาถ้าเราดูรลมแล้วก็เปลี่ยนมาดูร่างกายแทนพอมาเดินจงกรมเราก็ดูเท้าเท้าที่เราเดินดูการเดินไปเดินมาไปอย่าทิ้งสติไม่ว่าเราจะทําอะไรหรือแม้จะเลิกนั่งสมาธิแล้วเรายังต้องทําสติต่อไปตอนถึงเวลาหลับเท่านั้นเราถึงจะปล่อยสติได้ยังไม่มีคําถามเข้ามาใชค่ะอ่าวมีช่วงว่างแล้วว่ายังไงคนที่อยากจะรอช่วงว่างก็เข้ามาได้ ไม่มาอยู่วัานหรือเปล่าเนี่ยไม่อยู่บ้านาอยู่บ้านเหรอแบบนวมสการพระอาจารย์ค่ะ อ, อขออนุญาตสอบถามเรื่องการอนุโลมปฏิโลมค่ะอนุโลมก็ไปทางหนึ่งไปตามขนขนเนี่ยมันมีอนุโลมแล้วปฏิโลมก็ทวนขนเช่นพิจารณาร่างกายแล้วพิจารณาจากข้างนอกเข้าไป ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อถึงถึงน้ำมูดแล้วก็ปฏิรูมย้อนกลับมาถอยหลังกลับท่องท่องกลับอนี่ท่องไปแล้วท่องกลับตามเวลาไปก็ตามตามตามขนไปเวลาขากลับก็ย้อนขนคาว่าลมก็คือลมมาคาว่าขนอนุ ก, ก็ตาม<ะ>ตามตามขนปฏิก็ก็ทวนขน ก็คือให้ไปข้างหน้าแล้วให้ถอยกลับมาให้ท่องต้องไปข้างหน้าแล้วให้ท่องกลับเข้ามาข้างหลังจะได้จําจะได้ต้องใช้สติมากขึ้นไงเวลาท่องไปข้างหน้ามันง่ายนะยแต่เวลากลับนี่มันต้องถอยต้องท่องถอยกลับนี่มันก็ต้องใช้สตินึกมากขึ้นมันก็จะมีเป็นการฝึกสติไปในตัวด้วยแล้วจะจําได้ดีขึ้นด้วยถ้าท่องไปทางเดียวเดี๋ยวมันลืมได้ง่ายกว่าถ้าท่องไปทั้งไปแล้วท่องกลับนี่มันจะทําให้จําจดจําได้ได้ ได้นานได้มากเศราการสานที่สองนี่เราต้องอานุโวมปฏิโลมตอนต้นกับผมขนเล็บปานหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยไปเนี่ยถึงน้ำมูกแล้วก็ถอยกลับน้ำมูกกลับมาน้ำเสลน้ำดีน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหลือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกอะไรไปมันต้องท่องไปเรื่อยๆต่อไปเวลาเห็นร่างกายของคนก็จะได้เห็นอาการสามสิบสองปฏิท โดยอัตโนมัติเลยเห็นหมดใส่เสื้อผ้าอะไรปิดไว้ไม่อยู่ปัญญาเห็นหมดนะอย่างนี้นี่เองอเห็นทะลุเข้าไปเลยพอเห็นเข้าไปถึงข้างในแล้วก็ไม่มีอะไร น, น่าดูน่าชมแล้วใช่ไหไดูประกวนางงามเ <laughs> นี่ดูไงก็ไม่มันก็ไม่สวยเนี่ยมันเห็นแต่มันเห็ น, น, เ, นเห็นตา ว, ยวายวะภายในตลอดเวลาเห็นผมเห็นหนังตใต้หนังก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูก มีม้ามีปอดมีหัวใจมีตับมีพังผืดมีไตมีปอดมีลำไส้ไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าต้องไปบอๆแล้วมันจะติดใจแล้วมันจะจําได้พอมองร่างกายก็จะเห็นอาการเหล่านี้ขึ้นมาทันทีตอนต้นก็ตั้งชื่อไว้ก่อนจะจําชื่อไว้ก่อนแล้วขั้นต่อไปก็นึกถึงภาพของมันผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงหนังเป็นยังไงเนื้อเป็นยังไงเอ็นเป็นยังไงไปเปิดหนังสืออะนาตอมีดู ก็จะเห็นภายในเห็นปอดเห็นตับเห็นหัวใจายอยู่ตรงไหนลาไส้น้อยไส้ใหญ่เป็นยังไงตับไตเป็นยังไงมันจะเห็นหมดไปไม่ต้องไปเข้าเครื่องเอ็มไให้เสียเวลาเสียเงิ <c oughs> ในใช้เครื่องของพระเจ้าดีกว่าเห็นชัดเจนกว่าค่ะเอีกหนึ่งคาถามค่ะทําไมกฎแห่งกรรมอ่ะค่ะที่เราเคยทําไว้ไม่ว่าจะเป็นชาตินไหนก็ตามค่ะ เออทาไมเราถึงหนีไม่พ้นก็เหมือนนี่อ่ะเราไปเราไปนี่เป็นตุดนี้ไฟน้าเขาตั้งค่ะเอออย่าไปทํามันข้ามภพข้ามชาได้กดแห่งกรรมมีมีวิธีหนีแบบว่ายังไงไหมนะได้ไปนิพพานที่เดียวทั้งที่มันตามไม่ได้คือไปนิพพานคือไม่มาเกิดถ้าตามได้ยังมาเกิดอยู่มันจะจําเราได้ เาอานี้เคยทําอย่างนั้นคำอย่างนี้มาให้เจ้ากรรมในเวรมันก็จะมาตามแรงแข็งต่อใช่ค<า>่ะ<ช>อย่างนั้นถ้าไม่อยากจะใช้กรรมให้หมดคือไม่อยากให้กรรมตามเราทานก็ไปไปนิพพานอย่างพระพุทธเจ้าพระหลานทั้งหลายนี่กรรมไปไม่ได้แล้วกรรมตามไม่ได้อย่างองคุลิมานี่ฆ่าคนเป็นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนนี่พอไปนิพพานแล้วก็กรรมที่ฆ่าคนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็ไม่ตามไปต่อไปค่ะ แคนี้ก่กนคบะขอบพระคุณเจ้าค่ะอ่าสาธุขอบใจที่มาคั้นเวลาให้ <laughs> จาก facebook เ, เจ้าค่ะเหตุผลของการให้ทานอาหารไม่เกินเที่ยงใหมเจ้าคะคือการภาวนานี่ต้องกินอิ่มแล้วมันจะทําให้ขี้เกียจทําให้ง่วงนอนนั่งสมาธิแล้วมันจะสับประโคมมันจะนั่งหลับมันไม่ได้นั่งสมาธิแต่ถ้ากินน้อยๆกินพอให้มัน พอให้ร่างกายอยู่ได้แต่ไม่ถึงกับอิ่มเวลากินให้กินเพื่อดับความหิวแต่อย่าไปกินให้มันอิ่มพอกินไปสักพักแล้วรู้สึกว่าหายหิวแล้วก็หยุดกินแล้วก็ดื่มน้ําเปล่าๆเข้าไปให้มันอิ่มอิ่มด้วยน้ําไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ปสัสสาวะออกมาแล้วมันจะทําให้ร่างกายไม่ง่วงไม่ขี้เกียจเวลานั่งสมาธิก็ไม่สับสงก อ, อันนี้เป็นการช่วยช่วยการปฏิบัติธรรมกินมากแล้วมันจะทําให้ง่วงนอนขี้เกียจ แล้วจะไม่สามารถปฏิบัติทําได้จาก facebook เจ้าค่ะกราบเปนินถามค่ะทําอย่างไรถึงจะน้อมนําธรรมะที่ได้ฟังไปปฏิบัติตามได้ทั้งหมดคะเพราะมักจะไหลไปตามกิเลสต้อง เ, เอามาคิดบ่อยๆเช่นวันนี้เราฟังธรรมแล้วเราก็เอาธรรมที่เราได้เรียนนี้มามาคิดบ่อยๆมาทําการบ้านก่อนเพื่อไม่ให้ลืมถ้าเราไม่เอามาคิด<ม>เดี๋ยวสักพักเราก็ลืมนะ เ ร, เราไปคิดเรื่องอื่นแทนเราไปคิดเรื่องกิเลสแทนเรื่องไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เรื่องไปช้อปปิ้งที่นั่นที่นี่มันก็ลืมเรื่องธรรมะ ท, ที่เรามาฟังในวันนี้ได้แต่ถ้าเราอเอาไปคิดต่อเนี่ยเดี๋ยวกลับไปบ้างคิดวันนี้เราได้ฟังอะไรบ้างมงคลคืออะไรมง ค, คออลง ค, คือน้ํามันของชีวิตเราต้องคอยเติมมงคลอยู่เรื่อยๆเติม น, น้ามันอยู่เรื่อยๆด้วยการเข้าวัดคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะจําได้พอจําได้มันก็จะเอาไปปฏิบัติได้ต่อไป จากเฟซบุจ้ะอวิชชาเป็นตัวแม่ของกิเลส ท, ทั้งหลายอาวิชชาในสังโยชน์กับอวิชชาในปฏิจจสมุปบาทแตกต่างกันไหมครับตัวเดียวกันตัวเดียวกันจาาอวิชชา ค, คือการไม่ไมรู้การไม่มีวิชาเพราอนคนที่ไม่ไปโรงเรียนเนี้ก็ไม่มีวิชาพอไปเรียนหนังสือก็มีวิชาวิชาก็คือความรู้ คือความรู้ในอริยาาสัจสีความรู้ในตายรักความรู้ในกฎแห่งกรรมนะรี่เรียกว่าอาวิชชาความไม่รู้ความไม่รู้เหาวิชาถ้ารู้ก็เป็นวิชาเป็นธรรมะยังไม่มีคําถามเข้ามาใช่ไหมโอเคมีใครอยากจะถามอีกไหมเพราะกาลังจะปิดแล้วอาชิวเข้ามาอ่อาไมโครโฟนไปพูด การปะใช้แรงกาบเรียนถทำอาจารย์นะครับก็อยากจะถามเกี่ยวกับการระลึกชาติก็คือเราที่เราได้ทราบข่าวมาเนืว่าดูใน facebook ดูในข่าวต่างๆนะครับมีมีคนที่เขาระลึกชาติได้อยากอยากจะสอบถามว่าปัจจัยไรที่เขาระลึกชาติได้และก็ปัจจัยใรที่ระลึกชาติไม่ได้ครับความจําดีไงความจาดีก็ระลึกชาติได้ความจำไม่ดีก็ระลึกชาติไม่ได้ คนี้มีความจําดีๆมากๆนี้มีน้อยมีแค่ห้าเปอร์เซ็นตท่านั้นเพรางั้นพวกนี้เขาสามารถเวลาเข้าสมาธิแล้วเขาจะจําอะไรได้เยอะเลยเพราจิตนิ่งสงบแล้วเรื่องในปัจจุบันหายไปหมดนี่มันก็จะย้อนอดีตไปได้เรื่อยๆต้องเข้าสมาธิถึงจะจําได้มากแต่มีแค่ห้าเปอร์ซ็นตท่านั้นในของในคนอีกเก้าสิ้าเปอร์เซ็นตนี้จำอะไรไม่ค่อยได้กินข้าวมาเช้านี้ยังช่วยไม่ได้ <laughs> กินอะไรไปแล้ว อยู่ที่ความจําของเราเนี่ยแหละบางคนจําดีก็เรียนหนังสือเก่งใช่ไหมในห้องเนี่ยคนที่สอบได้ที่หนึ่งสัญญ่ความจําดีเดียรไอ้พวกคนที่อยู่ที่สามสิบนี่ความจําไม่ค่อยดีเวลาไปไปสอบมันจําไม่ได้จําคําตอบไม่ได้แต่คนที่จําได้ก็ตอบได้ทุกคําถามฝึกความจาได้เราพยายามฝึกได้ด้วยการมีสติด้วยการทบทวนอยู่เรื่อยๆเช่นวันนี้เ ร, เราไปทําอะไรมาแล้วก็ามาทบทวนทบทวน อ้ามันจำเหมัอนก็ท่องสูตรคูณเนี่ยถ้าเราท่องอยู่บ่อยๆท่องอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะจำได้ถ้าเราไม่อยากจะลืมเรื่องไหนก็เอามาท่องอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะไม่ลืมพอเราไม่ท่องไม่คิดถึงมันสักพักมันก็จะลืมได้หมดแล้วยังยอ่า อ, อีกคำถามนึ่งคำถามสุดท้ายถ้ามี หลักนักการหลวงปู่ค่ะบทสวดเมตตาหลวงเวลาที่เหมาะในการสวดถามถามมัได้แค่นี้ค่ะอาจารย์เอก็สวดสวดตอนไหนก็ได้ถ้ามีเวลาสวดก็สวดได้การสวดมนต์ถ้าสวดในใจนี่สวดได้ทุกที่ทุกแห่งเลยแต่ถ้าออกเสียงต้องหาที่เหมาะสมนั่งที่เรียบร้อยแต่ถ้าสวดในใจนี่เราสวดได้ตลอดเวลาสวดเพื่อเป็นการเจริญสติเพื่อระงับความคิดต่างๆ แต่ถ้าเราสวดออกเสียงมันก็ต้องมีที่ที่มันเหมาะสมเพราะเป็นการเหมือนกับก็เป็นการสแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าเราก็ต้องมีอยู่ในที่ที่มันเหมาะสมแต่ถ้าเราสวดในใจเพื่อเป็นการเจริญสตินี่เราสวดได้ตลอดเวลาไม่ต้องออกเสียงโอเคนะวันนี้เวลาก็พอสมควรก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เมื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเาิาุ